นิธานไทยปราสาทใต้ท้องทะเลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเกาะเล็กๆของนักเดินเรือและชาวประมงซึ่งปรคคองด้วยราชาแมนดรีนผู้คนในอนาณาจักรแห่งนี้อาจจะเป็นชาวเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกเพงแต่มีศัตรูตัวชกาะอยู่ตัวหนึ่ง เรือนี่เป็นไปไม่ได้นั่นมันเจ้าชายที่อยู่ในภาษาใต้เขาทะเลเขาจะได้อะไรจากการสร้างปัญหายหพวกเราเราเขา้าที่พายเรือไปที่ฟังแล้วอาดูเหมือนแหกของค่ายจะจับปลาตัวใหญ่ได้นะีเย น, น, นี่มันอะไรกันอาช่วยเราด้วยนี่มันหนึ่งในปีศาจของเจ้าชายใต้น้ําผู้ชั่วร้าย แค่สัปดาห์เดียวเขาโจมตีเรือของพวกเราไปกว่าห้าครั้งแล้วฟาบาดฟาบาดเราพยายามค้นหาและต่อสู้กับเขาแล้วแต่มันก็ล้มเหลวไม่ต้องห่วงนะท่านพ่อข้าจะออกตามหาเขาและต่อสู้กับเขาเองข้าจะอ่านหนังสือทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว่นบอของเขาและเมื่อข้าโตข้าจะล้างแค้นให้กับประชาชนของพวกเราเองเจ้าชายน้อยมุ่งมั่นที่จะจัดการกับเจ้าชายใต้น้า นั่นทำให้เขาเริ่มกลัวไม่กี่วันต่อมาในขณะที่เจ้าชายน้อยกำลังร่องเรือเล่นในทะเลเจ้าชายใต้น้ำได้สร้างนรกคลื่นขึ้ น, นทำให้เรือของเจ้าชายจมลงเด็กชายคนอื่นๆว่ายน้ำขึ้นไปบนผิวน้ำก็จับตัวเจ้าชายอย่างแน่นเลยลากตัวมายังพระราชวังของเขา ทั่วทั้งอาณาจักรต่างสะเทือนใจเรื่องที่เจ้าชายถูกลักพาตัวไปทุกคนจมลงสึกความสิ้นหวังมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปงั้นเหรอพวกเราจะต้องทนทุกข์อยู่กับเรื่องที่เจ้าชายชั่วร้ายใต้น้ำนั่นทำอย่างนั้นเหรอเราไม่เคยทำเรื่องเลวร้ายให้เขาเลยนะทั้งหมดที่เราต้องการคืออยู่อย่างสงบสุขในเกาะที่งดงามของพวกเราทาไมเจ้าชายนั่นมีความสุขกับการได้ทำร้ายพวกเราเนะ เขาคงจะกลัวว่าหากเจ้าชายโตขึ้นจะสามารถเอาชนะเขาได้นั่นหมายความว่าจะต้องมีวิธีที่สามารถเอาชนะเจ้าชายใต้น้ำได้แน่ทำไมต้องมองโลกในแง่ดีตลอดด้วยล่ะเมลิ น, น่าใครจะไปหาทางเอาชนะเจ้าชายผู้ชั่วร้ายนั่นได้กันข้าว่าเขาต้องทำได้ไม่ต้องหัวนะลุงธรรมชาติจะหาทางช่วยเหลือผู้ที่ไม่ทำร้ายคนอื่นเสมอ ก็และแม้แต่เจ้าชายใต้น้ำเขาก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดหรอกนะเจ้าพูดออกมาได้ยังไงนะเบรินดาดูสิที่เขาทําลงไปทั้งหมดสิก็ทั้งหมดที่เขาทําก็เพียงคว่ำเรือของพวกเราด้วยบริษัทของเขาแต่ว่าเขานะ่ะไม่เคยทําเรื่องเลวร้ายไปกว่านี้เลยข้าหมายถึงพวกเราเป็นชาวเกาะและคุ้นเคยกับน้ําพวกเราสามารถอยู่ในน้ําได้หลายชั่วโมงเหมือนกับปลาดังนั้น สิงที่เจ้าชายใต้น้ำำําทําก็แค่ทําให้พวกเรากลัวไม่ก็สร้างปัญหากับเราแต่เขาไม่เคยทําร้ายพวกเราให้บาดเจ็บหรือทําอันตรายค้ามั่นใจว่าเจ้าชายของพวกเราจะไม่เป็นอะไรนะข้าคิดว่าเจ้าชายใต้น้ําคงแค่เหงาและค้าก็หวังว่าเขาจะหาเขาเจอและได้คุยกับเขานะมีแค่มารีนาสินะที่เห็นความดีในตัวเจ้าชายใต้น้ําผููชั่วร้ายได้ความเห็นใจของเจ้านี่ไม่มีที่เปรียบเลยจริงๆ หัวหน้านักปราดแห่งอาณาจักรได้มุกม <big> ุนอยู่ในถ้ำเขาอ่านหนังสือและบทความเวทมนต์ทุกอย่างเพื่อหาวิธีเอาชนะเจ้าชายใต้หนาผู้ชั่วร้ายในที่สุดเขาก็พบคำตอบเขาออกจากถ้ำและมุ่งหน้าไปที่พักของเบรลีนาโดยไม่พูดกับใครหัวหน้านักปราดมาถึงบ้านของเบรลีนา พ่อของเธอนักเดินเรือริวานอยู่ที่นั่นริวานตกใจมากเมื่อเห็นหัวหน้านักปราดอยู่หน้าประตูของเขาท่านหัวหน้านักปราดเข้ามาก่อนครับเข้ามาก่อนมีอะไรให้ข้ารับใช้อย่างนั้นเหรอข้าอยากจะคุยกับลูกสาวของเจ้าเมลิน่าข้าต้องการให้นาง ช่วยเจ้าชายของพวกเราอแต่แต่นางเป็นแค่เด็กนะนางจะหาพระราชวังของเจ้าชายใต้น้ําผู้ชั่วร้ายได้อย่างไงขนาดคนของราชา ย, ยังหาไม่พบเลยข้าได้ศึกษาเกี่ยวกับเจ้าชายใต้น้ํามานานแล้วเขาเอาศัยอยู่ได้จากพลังแห่งความกลัวและความสาดิษเราต้องการคนอย่างลูกสาวเจ้าเพื่อที่จะเอาชนะเขาได้ ข้าข้าไม่เข้าใจขอข้าถามคําถามสามข้อเกี่ยวกับลูกสาวของเจ้านะข้อแรกเมลิ่าเคยทําร้ายสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างไหมเอ อ, เ อ, อไม่เคยเลยข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีชายหญิงเด็กต้นไม้หรือว่าสัตว์ใดพูดว่าเมลิ่าทํำร้ายพวกเขานะอันที่จริงแล้วแม้แต่เจ้าชายใต้น้ํานางยังคิดว่าเขาไม่ได้ชั่วร้ายเขาทําไปเพราะว่ากลัวและก็เหงาเท่านั้น ดีมากข้อที่2เมลิน่าเชื่อในพลังของความดีและความหวังไหมแน่นอนนางพูดอยู่เสมอว่าธรรมชาติจะช่วยเหลือคนที่ไม่ทำอันตรายต่อผู้อื่นอยู่เสมอและนางจะมั่นใจว่าจะมีหนทางที่สามารถช่วยเจ้าชายของเรากลับมาได้เยี่ยมมากและคำถามที่สเจ้าเคยเห็นเมลิน่า กลัวหรือไม่ข้าคิดว่าไม่นะเพราะนางเชื่อในธรรมชาติและคนอื่นเสมอนางไม่เคยกลัวอะไรเลยนอกจากนี้นางจะพูดความจริงอยู่เสมอนั่นทำให้นางไม่เคยกลัวสิ่งใดเรียกนางหม อ, อ, อได้เลยเมลิน่าเมลิน่ามานนเร็วลูกรัก พ่ออ๋ อ, อสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีเมอรลินนะ่าเจ้าพร้อมจะยอมไปช่วยเจ้าชายของพวกเราไหมท่านคะมันคงจะเป็นเกียติอย่างมากเลยแต่ว่ามีเจ้าชายใต้น้าผู้ชั่วร้ายอยู่ที่นั่นนะถ้าหากเจ้าชายใต้น้ําต้องการที่จะทําร้ายพวกเราจริงแล้วก็เขาน่าจะใช้วิธีที่เลวร้ายกว่านี้นะคะข้ามั่นใจว่าเขาทําไปเพราะเหงาเท่านั้นอีกอย่างมีอะไรที่ค้ต้องกลัวงั้นเหรอ ข้ารู้จักทะเลและสิ่งมีชีวิตในนั้นก็เป็นเพื่อนของข้าโอ้ถ้าเช่นนั้นเจ้าจะต้องไปช่วยเจ้าชายของพวกเรากลับมาให้ได้นะได้เลยท่านแต่ว่ายังไงล่ะออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องลงไปในน้ำความเห็นอกเห็นใจความดีและความไม่เกรงกลัวของเจ้าจะแสดงหนทางให้เจ้าเอง ดังนั้นในวันต่อมาผู้คนทั่วทั้งอาณาจักรต่างมายืนที่ชายหาดมาริากระโดดน้ำลงไปหาเจ้าชายในทะเลอย่างไม่เกรงกลัวไม่นานเธอก็พบกับพระราชวังของเจ้าชายใต้น้ำประตูบานแรกของพระราชวังทาจากหินและมียักษ์สองตัวเฝ้าอยู่พวกมันเห็นมาริาและเข้ามาหยุดเธอเจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่ข้าชื่อมาริและข้ามาจากกับกอของอาณาจักรด้านบนนี้ ข้ามาเพื่อเจ้าชายของพวกเราเนี่ยมารีน่าไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากความจริงแต่พวกยักษ์ก็ไม่เชื่อว่าราชาของเกาะจะส่งเด็กตัวเล็กๆมาช่วยลูกชายของเขาแม้แต่กองทัพของพวกเขายังล้มเหลวที่จะเอาชนะเจ้าชายใต้น้ําพวกเขาจึงคิดว่าเด็กผู้หญิงคงทําอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นพวกมันจึงหัวเราะและปล่อยให้เธอเข้าไป ประตูบ้านถัดไปเป็นฟองสบู่ขนาดใหญ่เมลิน่าสามารถเห็นพระราชวังผ่านมันได้พระราชวังดูเหมือนจะสร้างจากฟองสบู่เช่นกันฟองสบู่เหล่านั้นอยู่ในรูปของกำแพงหอคอยสูงและเสามันถูกปกป้องไว้โดยประตูฟองสบู่เมือม่อเมลิน่าแตะไปที่มันฟองสบู่ได้ดูดกลืนเธอเข้าไปทุกๆุกคนต่างกลัวเมื่อถูกขังอยู่ในฟองสบู่ขนาดยักษ์แต่เมลิน่าไม่ได้วันเกรงอะไรเลย น้ำและฟองสบู่ต่างถูกสร้างโดยธรรมชาติและธรรมชาติจะคอยช่วยเหลือผู้ที่ไม่เคยทำร้ายผู้ใดเสมอเมื่อมา ล, ลีนาเอ่ยประโยคนี้ขึ้นความศรัทธาและความเชื่อมั่นก็เอ่ยเล้นหัวใจของเธอฟองสบูรบ่รอบๆตัวเธอรวมไปถึงพระราชวังเริ่มแตกออกเจ้าชายใต้น้ำเริ่มกลัวเมื่อเห็นพระราชวังของเขาแตกออกมา ล, ลีนาว่ายน้ำเข้าไปหาเขา เด็กชายใต้น้ำเริ่มว่ายน้ำหนีเขาไม่เคยคิดเลยว่าพระราชวังที่ทำจากเวนมต์ของเขาจะถูกทำลายโดยเด็กตัวน้อยแต่ก่อนที่เขาจะหนีไปมารีนาได้เรียกเขาขึ้นอย่างอ่อนโยนจะชายใต้น้ำอย่าหนีไปเลยพวกเราเป็นเพื่อนกันได้นะเพื่อนงั้นเหรอนี่เจ้าไม่กลัวฆ่าหรื อ, อยังไงตอนนี้ข้าว่าท่านกลัวข้ามากกว่านะ แต่ข้ารู้ท่านไม่ใช่ปีศาจแต่ท่านชั่วร้ายจริงท่านคงทำร้ายเจ้าชายของพวกเราไปเรียบร้อยแล้วเจ้าคิดว่าข้าไม่ใช่ปีศาจนั้นเหรอหลังจากทุกอย่างที่ข้าทำไปกับผู้คนของเจ้าข้าคิดว่าท่านก็แค่เหงาจริงไหมท่านแค่ต้องการเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วใครจะยอมเป็นเพื่อนกับข้าละ่ะทุกคนต่างก็คิดว่าข้าชั่วร้ายอ๋มากับข้าสิไปดูแล้วข้างบนที่สวยงามด้วยกันนะ ไม่มีใครบังเกาะทำร้ายท่านข้าสัญญาไม่มีใครพยายามเข้าใจข้าเลยว่าสิ่งที่ข้าทำไปมันเพราะอะไรเจ้าเป็นคนแรกที่เอื้อมมือมามอบความใจดีให้กับข้าเห็นไหมว่าหากมีใครบางคนเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณบางทีเขาคนนั้นอาจจะแค่เหงาและไม่รู้จักคาว่าเพื่อน ลองเอื้อมมือไปที่เขาอย่างเมริน่าเอื้อมมือไปที่เจ้าชายดูสิแล้วมีศรัทธาอย่างที่เมลิน่ามีศรัทธาต่อธรรมชาติว่าท่านจะคอยช่วยเหลือผู้ที่ไม่เคยทําร้ายผู้อื่นเสมอนั้นทําให้เธอไม่เกรงกลัวสิ่งใดถ้าเราทําความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเช่นกันพยายามทําความเข้าใจคนอื่นว่าเหตุผลที่เขาทําลงไปนั้นเพราะอะไรมากกว่าที่จะเกลียดและกลัวเขา โลกนี้ต้องการคนที่เข้าใจมากกว่าคนที่คอยตัดสินและโจมตีผู้อื่น